18สัมมันตินะสัมมันติวาระวาระว่าด้วยอธิกรระงับและไม่ระงับ308ถามวิวาทาธิกกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไหร่อุวาทาธิกกรละอาปตาธิกกรละกิจจาทิกกร ระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาธิกอนระงับด้วยสมถะสองคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. เยปุยสิกาไม่ระงับด้วยสมถะห้าคือ 1. สติวินยัย 2. อ, อมูระหาวินยัย 3. ปตินยาตการณะ 4. ตัสปาปิยสิกา 5. ตินวัฏฐากะอนุวารธาธิกรระงับด้วยสมถะสี่คือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. สติวินยัย 3. อมุระหาวินยัย 4. ตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยสมถะสามคือ 1. เยปุยาสิกา 2. ปติน ญ, ญาตการณะ 3. ตินวัฏฐาะอปัตตาทิกรระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สั ม, มุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. ตินวัฏฐากะไม่ระงับด้วยสมถะสี่คือ 1. เยพุยสิกา 2. ส, สติวินยัย 3. อโมระหาวินยัย 4. ตัดสปาปิยสิกา กิจจาธิกรระงรับด้วยสมถะหนึ่งคือสัมมุขาวิไนไม่ระงรับด้วยสมถะหคือ 1. เยปุยสิกา 2. สติวินยัย 3. อมูระหาวิไนยัย 4. ปฏิญญาตการณะ 5. ตัสปาปิยสิกา 6. ตินวัฏารกะถามวิวาธาธิกรและอนุวาธาธิกร ระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาธิกรและอนุวาทาธิกรระงับด้วยสมถะหคือ 1. สัมมุขวินยัย 2. เยปุยสิกา 3. สติวินยัย 4. อมูระหาวินยัย 5. ตัสปาปิยสิกา ไม่ระงับด้วยสมถะสองคือ 1. ปติญญาตการณะสองตินวัฏฐากะถามวิวาทาทิกรและอาปตาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบวิวาทาทิกรและอาปตาทิกรระงับด้วยสมถะสี่คือ 1. สา ม, มุขาวินัย 2. เยปุยสิกา 3. ปฏิญญาตการณะ 4. ตินวัฏฐากะไม่ระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สติวินัย 2. อ, อมุระหาวินัย 3. ตัสปาปิยสิกาถามวิวาธาธิกรและกิจจาธิกร ระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาธาทิกรและกิจจาทิกรระงับด้วยสมถะสองคือ 1. สัมมุขาวิไนยยัย 2. เยภุยสิกาไม่ระงับด้วยสมถะ5คือ 1. สติวิไนอัอ 2. อมุระหวิไนยัย 3. ปติญญาตการณะ 4. ตัสปาปิยาสิกา 5. ตินนวัฏฐากะถามอนุวาธาธิกรและอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาธาธิกรและอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะหกคือ 1. สั ม, มุขาวินัย 2. ส, สติวินัย 3. อมูระหาวินัย 4. ปฏิญญาตการณะ 5. ตัสปาปิยสิกา 6. ตินวัฏฐากะไม่ระงับด้วยสมถะหนึ่งคือเยปุยสิกาถามอนุวาทาทิกรและกิจจาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาธาทิกรและกิจจาทิกรระงับด้วยสมถะสคือ 1. สั ม, มุขาวิไนัย 2. สติวิไนัยมอมมระหาวิไนัย 4. ตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยสมถะสามคือ 1. เยพุยสิกา สปฏิญญาตการณะ 3. ตินวัฏฐากะถามอาปาัตตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาปาัตตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สัมมุขาวิไนยัย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. นวัฏฐากะไม่ระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือ 1. นเยพุยสิกา 2. สติวินัย 3. ามอมุระหาวินัย 4. ตสปาปิยาสิกาถามวิวาธาธิกร อ, อนุวาธาธิกรและอาปัตตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไหร่ไม่ระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไหร่ ตอบวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรและอาปตตาธิกรระงับด้วยสมถะเจ็ดคือ 1. สั ม, มุขาวินยวัย 2. เยปุยสิกา 3. สติวินยัย 4. อมุระหาวินยัย 5. ปฏิญญาตการณะ 6. ตัดสปาปิยสิกา 7. ตินวัฏฐากะถาม วิว า, าทิกรอนุวาธาธิกรและกิจจธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะหคือ 1. สำ ม, มุขาวิไนยัย 2. เยผุยศิกา 3. สติวินยัย 4. อมุระหาวิไนัย 5. ตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยสมถะสองคือ 1. ปฏิญญาตาการณะ 2. ตินวัฏฐารกะถามอนุวาธาทิกรอาปัตตาทิกรและกิจจาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบ อนุวาตาธิกร อ, อาปัตตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะหคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. สติวินยัย 3. อมุรหาวินยัย 4. ปฏิญญาตาการณะ 5. ตัสปาปิยสิกา 6. ตินวัตถารกะไม่ระงับด้วยสมถะหนึ่งคือเยพุยสิกา ถามวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอาปัตตาธิกรอนและกิจจาธิกอนระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอาปัตาธิกอนและกิจจาธิกอนระงับด้วยสมถะเจ็ดคือ 1. สัมมุขวิไนัย 2. เยปุยสิกา สสติวินัย 4. อมุระหาวินัย 5. ปฏิญญาตการณะ 6. ตัสปาปิยศิกา 7. ตินวัฏฐากะสัมมันตินะสัมมันติวาระที่ 18. จบ